ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมะทางเจ้าภาพแล้วก็คณะญาติญาติก็ได้ถือโอกาสกาลับรัตนาณิมนต์ท่านพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชมาแสดงธรรมะองค์ท่านก็มีความเมตตาต่อผู้ที่วายชนและก็คณะญาติญาติรวมถึงพวกเราทุกคนก็ได้มาแสดงธรรมะในวันนี้ขอกลับท่านอาจารย์นะครับ เพื่อนสหัทธันมิกขออนุญาตแสดงธรรมให้โยมโยมจำนวนมากไม่ทราบว่าจะฟังอะไรเมื่อเช้ามันก็ฟังอยู่ที่วัดหลวงพ่อนะตอนบ่ายตามมันนี้อีกเรียนมามากแล้วนะถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติแล้วเวลามีไม่มากหรอกนะดูหมวยที่ตายอายุยังไม่มากเท่าไหร่ ชีวิตนี่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราประมาทไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าต้องแก่ก่อนถึงจะตายเด็กก็ตายได้คนตายเต็มบ้านเต็มเมืองะงั้นถ้าเรายังประมาทอยู่เราคิดว่าเรายังไม่ตายเราปล่อยชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่นานก็หมดพวกเราชาวพุทธเป็นบุญเป็นวาสนาแล้วที่ได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้างั้อย่าละเลยนะทิ้งมัน ร่วงไปร่วงไปเรื่อยๆเสียเวลาเอาอะไรมาแลกก็ไม่ได้เวลาที่ซื้อไ ม, ไม่ได้จริงหรอกพวกเราต้องดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทคําว่าไม่ประมาทก็คือต้องมีสติไปเรื่อยๆนะสตินั้นจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าขาดสติก็เหมือนตายแล้วถ้ามีสติอยู่ก็เรียกว่ายัางมีชีวิตอยู่ในคนในโลกนี้มันตายตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายพวกเรา อย่ได้ทําตัวให้เหลีวไหลไปอย่างนั้นพยายามพัฒนาจิตใจของตนเองให้มันมีสติขึ้นมาเบื้องต้นนะพัฒนาให้มันมีสติต่อไปก็พัฒนาให้มันเกิดปัญญ า, าการจะพัฒนาให้มันมีสติขึ้นมาเนะี่ยก็หัดรู้สภาวะไปเรืนะ่อยๆอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติทำแล้วยากเหลือเกินหลวงพ่อไม่เห็นว่ามันจะยากตรงไหนเลยเราเรียนจากครูบาอาจารย์มานะครูบาอาจารย์สอนง่ายๆนะ หลวงปูดูลนะสอนให้หลวงพ่อดูจิตตัวเองเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็ไปกลับอาจารย์อนันต์ที่วัดมากจันทนะสายหลวงพ่อชาเหมือนที่นี้อาจารย์อ น, นันต์ท่านเงยเล่าให้ฟังเลยว่าหลวงพ่อชาเคยสั่งนะเคยบอกท่านไว้บอกว่าต่อไปสอนกรรมฐานให้คนในเมืองนะสอนดูจิตนะสอนให้ดูจิตไปหัดดูจิตด้วยความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินรายเนี่ยหลักของการปฏิบัติพี่เหมาะกับคนในเมืองคนในเมืองเนะี่คิดทั้งวัน จะอาอย่างพระไม่ได้หรอกพระมีเวลาเยอะหมดเวลาบินธบาตนะขับม า, มาทําสมาธิมาเดินจงกรมเนี่ยปฏิบัติได้ทั้งวันแต่โยมไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกชะลางานมาปฏิบัติมันก็ได้ปีหนึ่งไม่เท่าไหร่หรอกงั้นเราจะมารอว่าเมื่อไหร่จะว่างแล้วจะลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่ทันกินหรอกกรรมาฐานที่พวกเราจะฝึกได้ง่ายๆเลยก็คือหัดเจริญสติในชีวิตประจําวันไว้นี่แหละแล้วก็ค่อยรู้ไป สภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเมื่อกี้ใครฟังพระท่านสวดออกบ้างไม่ออกเลยธรรมะท่านออกดีนะท่านแจกแจงสภาวะธรรมให้ดูะแจกแจงธรรมะนะมีธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกลางกลางธรรมทั้งหลายเหล่านี้เกิดแล้วก็ดับธรรมที่หยาบธรรมที่ปานกลางธรรมที่ประณีตธรรมทั้งหลายเหล่านี้เกิดแล้วก็ดับ ทำที่เป็นอดีตที่เป็นปัจจุบันที่เป็นอนาคตทำทั้งหลายนี้เกิดแล้วก็ดับทำทั้งหลายที่เป็นสุขเป็นทุกข์นะเป็นกลางๆางไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับเนี่ยท่านแจกแจงธรรมะให้ฟังทั้งเยอะทั้งแยะนะทำไมเราไม่รู้จักฟังนะแต่ท่านท่องชื่อของธรรมะให้ฟังนะแต่ถ้าเราเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวเช่นจิตซึ่งประกอบด้วยปีติจิตซึ่งประกอบด้วยปีติเนกะิดแล้วก็ดับเนี่ยท่านก็มี จิตที่ประกอบด้วยความสุขจิตประกอบด้วยความทุกข์จิตทุกชนิดเลยเกิดแล้วดับนะธรรมะทั้งหลายเกิดแล้วดับนะธรรมะในที่ใกล้ในที่ไกลนะที่หยาบที่ละเอียดมีแต่เกิดแล้วก็ดับหน้าที่ของพวกเรานะหัดเจริญสติแล้วก็คอยรู้สภาวะธรรมทั้งหลายที่เขากําลังปรากฏอยู่มีสติรู้สภาวะธรรมด้วยความเป็นกลางนะอย่าลืมคําว่าเป็นกลาง ถ้าเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นกลางก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่นักปฏิบัติที่ดีหรอกเช่นเห็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วไปเกลียดมันนะก็ไม่ถูกต้องกิเลสเกิดขึ้นหน้าที่ของเราก็คือรู้ว่ามีกิเลสเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นรู้ว่ามีกุศลเกิดขึ้นรู้เฉยๆแนละต้องไปจะแสดงใจรักให้ดูทําทั้งหลายล้วนแต่แสดงใจรักทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะทําที่หยาบที่ละเอียดนะที่ใกล้ที่ไกลที่สุขที่ทุกข์ ที่ดีที่ชั่วทําทั้งหลายนี้เสมอกันด้วยความเป็นใจรักษณ์ให้เฝ้ารู้ลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วดับไปดับไปนะเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้นะเรียกว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราไม่รู้ไม่ตามรู้ตามดูเราก็หลงเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆจริงๆตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมนำมาทำมีแต่ธรรมะจานวนมากที่มันมารวมกันอยู่ชั่วคราวเดีย๋ยวมันก็แตกสลายออกไปะ ในคนทั้งหลายเนี่ยมันคิดว่ามันมีตัวเราจริงๆมีญาติเรามีพี่น้องเรามีพ่อแม่มีโน้นมีนี่นะพอเขาตายไปมันก็เศร้าโศกชาวพุทธไม่เศร้าโศกหรอกนะเราก็เห็นแค่ว่ารูปธรรมนามธรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะถ้าเห็นอย่างนี้นะใจก็ไม่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความลังเลสงสัยในธรรมะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่ยากอะไรหรอกฝึกไปนะมันยากตรงที่เราไม่ยอมปฏิบัตินะเราชอบคิดเอาเอง ต้องหัน ด, ดูสภาวะให้ได้นะให้เห็นตัวสภาวะแท้ๆสภาวะนั่นอะไรจะสอนธรรมะเราไม่มีใครสอนธรรมะเราได้อย่างนั้นหรอกวันนี้เอาเทศทอดนี้ก็พอเนาะเทศไรนักหนาเสียเวลาฟังเอาเวลาไปภาวนาหลวงพ่ออยู่กับครูบาอจารย์นะเดินทางไปหาครูบาอจารย์บางทีท่านอยู่อีสานนะเราเดินทางทั้งวันทั้งคืนนะบางทีตลอดคืนแล้วยังไม่ถึงวัดนะบางทีตลอดคืนไม่ถึงวัด เป็นไงจิตหนีไปหมดเลยเห็นไหมขาดสติเห็นไหมใจฟุ้งซ่านเห็นไหมเห็นไหมว่าจิตจะขาดสติหรือจิตจะมีสติสั่งไม่ได้เห็นไหมตอนนี้สงบกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมเมื่อกี้ฟุ้งซ่านตอนนี้เริ่มสงบลงมาเห็แม้จิตจะฟุ้งซ่านหรือจิตจะสงบสั่งไม่ได้ล้วนแต่ไม่เที่ยงนะเนี่ยหัดดูสภาวะไปเมื่อก่อนกว่าจะเจอครูบาอาจารย์นะไปไกลมากเลยเดินทางตั้งนาน ไปถึงท่านจะไปฟังธรรมะไปส่งกันบ้านท่านไปรายงานการปฏิบัตินะสิบนาทีสิบห้านาทีจบแล้วนะจบแล้วก็กลับแล้วไม่เอาแล้วม่เสียเวลาอยู่กับท่านแนละ้เสียเวลาท่านด้วยเราใช้เวลาส่วนมากในการปฏิบัติหลวงพ่อภาวนาสมัยตั้งแต่เป็นโยมนะไม่ได้เคยคิดเลยว่าโยมจะภาวนาไม่ได้เรามีหน้าที่รู้สภาวะไปนั้นเราเฝ้ารู้เฝ้ารู้เฝ้ารู้ไป ยิ่งเราขยันรู้เท่าไรก็เท่ากับเราทำกันบ้านทั้งวันมันก็เก่งเลยว่ะสิถ้านานๆรู้ทีหนึ่งก็ไม่เก่งนะหรือไม่ยอมรู้เลยหลงไปลูกเดียวใช้ไม่ได้อย่าใจลอยนะอย่านะรู้สึกตัวอย่าใจลอยในขณะเดียวกันอย่าเพ่งตัวเองให้นิ่งอย่าบังคับกายให้นิ่งอย่าบังคับใจให้นิ่งนะให้กายเป็นเคลื่อนไหวให้จิตมันเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อย เราภาวนาเพื่อให้เห็นสภาวะทั้งหลายแสดงไใจลักไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้ทุกอย่างนิ่งเราไม่ได้ภาวนาเอาความดีความสุขความสงบนะแต่เราภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวสงบก็ชั่วคราวฟุ้งคลา่งก็ชั่วคราวนี่ภาวนาให้เห็นเลยทุกอย่างมันเกิดระดับไปหมดเลยแต่ถามว่าเราจะทำชั่วได้ไหมทำชั่วไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรเพราะเรามีสติคนที่ทำชั่วได้ทำผิดศีลผิดทรรได้นะเพราะมันขาดสติ งั้นพวกเราพยายามรู้สึกตัวนะกิเลสอะไรผ่านเข้ามาในใจเราคอยรู้รู้ให้ทันกิเลสครอบงําจิตไม่ได้รับรองไม่ผิดศีลหรอกคนทําผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสมันครอบงําจิตได้กิเลสมันไม่เข้ามาครอบงําจิตนะจิตไม่ฟุ้งซ่านหรอกสมาธิเกิดขึ้นเองะงั้นถ้ากิเลสมันแทรกเข้ามานะนิวรณแทรกเข้ามาจิตจะไม่สงบจิตก็ฟุง้งซ่านไม่มีสมาธิปัญญานะถ้ามีสติก่จึงจะมีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญา มีสติคอยรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจทํางานไปเรื่อยเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นแหละเรียกว่าปัญญานี่ศศีลสมาธิปัญญาเรานะอบรมไปเรื่อยด้วยการมีสติบ่อยๆนะถึงจุดหนึ่งวิมุติจะเกิดขึ้นตอนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยไม่ใช่สั่งให้เกิดได้นะมันเพียงพอแล้วมันก็เกิดของมันเองจิตนจะเข้าอัปปนาสมาธินะเกิดของมันเองถึงเราไม่เคยเข้าฌานนะถึงวันนั้นมันจะเข้าฌานะจะเกิดในฌานไม่เกิดตอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้เนาะ จะเกิดก็อยู่แว บ, บเดียวนะแล้วก็ดับไปพร้อมกับกิเลสนะเราคอยฝึกเอานะอย่างมวยเนี่ยตั้งอกตั้งใจภาวนามากเลยพลาดนิดเดียวนะไปหาหลวงพ่อนะไปลาตายตอนสุดท้ายไปลาตายนะไปเจอใช่ไหมเราไปเจอเยอะเลยเนวะลาทำบุญนะเสร็จแล้วอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นคนจะได้มาปฏิบัติผิดตรงไหนรู้ไหมห่วงอนาคตที่ปัจจุบันย่างไหม เนั้นเราอยู่กับปัจจุบันไว้หนึ่งเนืองนะเรายัางเราตั้งใจทําความดีทำบุญทําทานกับครูบาอาจารยนะ์ตั้งความปรารถนาเป็นมนุษย์มันก็เป็นได้นะมันเป็นขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ต้องไปปฏิบัติอีกไปเรียนอีกนะงั้นเราพยายามมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันวันนั้นบอกเอ้ยพิคิดอย่างนั้นสิตั้งใจขอมักผลสิผมไม่เอากลัวกลัวว่าเดี๋ยวไปเป็นเทวดาแล้วนาน น่าคือกลัวอย่างนี้ได้เอาแล้วพอแล้วเนะเทศไรนักหนาเฝือเสียเวลาไปเผาก็เผาจะไงก็เ <laughs> นี่หมดท่านอาจารย์นะครับ